4. อธิกรณะปัจจยาปติว่าด้วยอาบัตมีอธิกรเป็นปัจใจัย344ถามมิวาธาธิกรเป็นอาบัติหรืออนาบัติตอบวิวาธาธิกรเป็นอนาบัติถามก็เพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจใจภิกษุจึงต้องอาบัติหรือตอบถูกแล้ว เพราะวิวาทิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัติถามเพราะวิวาาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบเพราะวิวาาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ดาอุปสัมบันิต้องอาบัตปาจิตตีสองดาอนุปสัมบันิต้องอาบัตทุกกฎ เพราะวิวาทาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตสองอย่างนี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตอย่างไหนบรรดาอธิกรสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดากองอาบัตร7ดกองจัดเข้ากองอาบัตไหนบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ ระงับด้วยอธิกรเท่าไรในฐานะเท่าไรด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจารวิบัติบรรดาธิกรตสเป็นอาบัตตาธิกรบรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตสองกองคือหนึ่ง กองอาบัตปาจิตตีสองกองอาบัตทุกกฎบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานระงับด้วยอธิกรหนึ่งคือกิจจาธาทิกรระงับในสามฐานะคือท่ามกลางสงท่ามกลางคณะสำนักบุคคลระงับด้วยสมถะสคือ หสั ม, มุขาววินัย 2. ปฏิญญาตะการณ์ 3. สามสำมุขาวินัยและตินนวัถารกะว่าด้วยอนุวาธาธิกรเป็นอาบัตหรืออนาบัติเป็นต้น345ถามอนุวาธาธิกรเป็นอาบัติหรืออนาบัติตอบอนุวาธาธิกรเป็นอนาบัติถาม ก็เพราะอนวุวาทาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัติหรือตอบถูกแล้วเพราะอนวุวาธาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัติถามเพราะอนวุวาธาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. ใส่ความภิกษุ ด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลต้องอาบัติสังคาทิเศตสอ 2. ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติสังคาทิเศตที่ไม่มีมูลต้องอาบัติปาจิตตี 3. ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาจิตตีที่ไม่มีมูลต้องอาบัติทุกกฏเพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัติสามอย่างนี้ถาม อาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไรบรรดาอาธิกรสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอ า, า 1. บัตเท่าไรบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรระงับด้วยอธิกรเท่าไรในฐานะเท่าไรด้วยสมถะเท่าไรตอบ อาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาระวิบัตบรรดาธิกร4เป็นอาปัตตาธิกรบรรดากองอาบัตร7กองจัดเข้ากองอาบัติากองคือ 1. กองอาบัตสังคาทิเศษ 2. สกองอาบัตปาจิตตี 3. กองอาบัตทุกกฏ บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐานอาบัตหนักระงับด้วยอธิกรณหนึ่งคือกิจจาธิกรระงับในหนึ่งฐานะคือท่ามกลางสอ์ระงับด้วยสมถะสองคือ 1. สมุขาวิไนยัย2ปฏิญญาตกัรณะอาบัตเบาระงับด้วยอธิกรณหนึ่งคือกิจจาธิกร ระงับในสามฐานะคือในถ้ำกลางสงในถ้ำกลางคณะในสำนักบุคคลระงับด้วยสมถะสามคือ 1. สัมมุขาวิินัย 2. ปฏิญญาตการณะ 3. สัมมุขาวินัยและตินวัฏฐารกะว่าด้วยอาปัตตาทิกรเป็นอาบัตหรืออนาบัตเป็นต้น 346. ถาม อาปัตตาธิกรเป็นอาบัตหรืออนาบัตตอบอาปัตตาธิกรเป็นอนาบัตถามก็เพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยจึงต้องอาบัตหรือตอบถูกแล้วเพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยจึงต้องอาบัตถามเพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบ เพราะอาปัตตาธิกรอนเป็นปัจจัยจึงต้องอาบัติ4อย่างคือ 1. ภิกษุณีรู้อยู่ปกปิดภิกษุณีผู้ต้องอาบัตปาราชิกต้องอาบัตปาราชิก 2. สงสัยปกปิดไว้ต้องอาบัตทุนลัใจสามภิกษุปกปิดอาบัตสังขาธิเศต้องอาบัตปาจิตตีสี 4. ปกปิดอาจารวิบัตต้องอาบัตทุกกฎเพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยจึงต้องอาบัตส4อย่างนี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหร่บรรดาอธิกรสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดากองอาบัตเจดกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐาน เกิดด้วยสมุรฐานเท่าไรระงับด้วยอาิกรเท่าไรในฐานะเท่าไรด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัตสองอาจารวิบัตบรรดาอาิกรสเป็นอาปัตตาธิกรบรรดากองอาบัตร7กองจัดเข้าอาบัตส4กองคือ 1. กองอาบัติปาราชิก 2. กองอาบัติทุลจัย 3. กองอาบัติปาจิตตีสี 4. กองอาบัติทุกกดบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือระงับด้วยอธิกรไหนไม่ได้ระงับในฐานะไหนไม่ได้ ระงับด้วยสมถะไหนไม่ได้อาบัติเบาระงับด้วยอธิกรณ์หนึ่งคือกิจจาธิกรณ์ระงับในสามฐานะคือในท่ามกลางสงในท่ามกลางคณะในสำนักบุคคลระงับด้วยสมถะสามคือ 1. สัมมุขาวิไนยัย 2. ปฏิญญาตะเกรณะ 3. สามสัมมุขาวิไนและตินวัฒนารักะ ว่าด้วยกิจจธิกรเป็นอาบัตหรืออนาบัตเป็นต้น -347 ถามกิจจธิกรเป็นอาบัตหรืออนาบัตตอบกิจจธิกรเป็นอนาบัตถามก็เพราะกิจจธิกรเป็นปัจจัยภิษุจึงต้องอาบัตหรือตอบถูกแล้วเพราะกิจจธิกรเป็นปัจจัย ภิกษุจึงต้องอาบัติถามเพราะกิจจาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบเพราะกิจจาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัติ5อย่างคือ 1. ภิกษุณีผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกส ง, ง์ลงอุกเขปนียกรรมไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสง์สวดสมานุภาพครบสามครั้ง จบยติต้องอาบัตทุกกฏ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลใจสามจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปาราชิก 4. ภิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบ3ามครั้งต้องอาบัตสังคาทิเศต 5. ภิกษุไม่ละทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตปาจิตตีเพราะกิจจาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตร5อย่างนี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัตเท่าไหร่บรรดาอาทิกร4สอย่างเป็นอาทิกรอย่างไหนบรรดากองอาบัตเ7กอง จัดเข้ากองอาบัตเท่าไรบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรระงับด้วยอธิกรณ์เท่าไรในฐานะเท่าไรด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจารวิบัตบรรดาอธิกรณ์สอย่าง เป็นอาปัตตาทิกรบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตห้กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังฆาทิเศษสากองอาบัตทุลจัยสกองอาบัตปาจิตตีห้ากองอาบัตทุกกฎบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ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 1>, 1. สัมมุขาวิไนัย 2. ปฏิญญาตการณะอาบัตเบาระงับด้วยอธิกรณ์เดียวคือกิจจาธิกรณ์ระงับในสามฐานะคือในท่ามกลางสง์ในท่ามกลางคณะในสำนักบุคคลระงับด้วยสมถะสามคือ 1. สัมมุขาวิไนัย 2. ปฏิญญาตการณะ 3. สัมมุขาวิไน และตินวัฏฐารกัศ